บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเหตุเกิดแห่งรูปที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนันอันที่จริงก็เป็นเรื่องของโวหารในการใช้เพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจสำหรับผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม ในชั้นที่ละเอียดขึ้นไปโดยทรงสอนให้มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติธรรมดาอย่างที่พูดว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีเหมือนสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีมก็ทยอยกันไปเป็นลูกคลื่นอย่างนั้นแต่เมื่อล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของกรรม ซึ่งเมื่อยังมีสองกลุ่มนี้อยู่ก็จะก่อให้เกิดปัจจัยต่างๆขึ้นมาอีกเป็นแน่นมากวันเหตุเกิดของรูปที่กล่าวโดยสรุปจึงกลายเป็นนภิชาตนาุปาทานกรรมและอาหารจึงเป็นปัจจัยในปัจจุบันเห็นได้ว่าพวกอาหารที่ได้กล่าวฟาในบัดก่อนคือกวาลิงกราหาร อาหารที่เราจะต้องดื่มต้องชิ้มต้องชิมต้องลิ้มเข้าไปทางปากเป็นปัจจัยที่ให้เกิดปัญหาหน้าประการแต่ในขณะเดียวกันคนเราก็ไม่สามารถที่จะขาดอาหารได้เพราะชีวิตแต่และชีวิตจะอยู่ได้ก็ต้องมีอาหารหรือต้องอาศัยอาหารยางที่รับสั่งแสดงไว้ว่าสเบสตาหาลติติกา สัตว์ทั้งหลายจะตั้งอยู่ได้ก็เพราะอาหารพระพุทธเจ้าประหารทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือดํารงพระชนชีพและดํารงชีวิตอยู่โดยอาศัยอาหารทั้งนั้นจุดแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพริยบุคคลจึงไม่ได้อยู่ที่มีอาหารหรือไม่มีอาหารแต่อยู่ที่ความรู้เท่าทันถึงสภาพความจริงของอาหารเหล่านั้น เมื่อตัวเองจะต้องอาหารต้องอาศัยอาหารก็เป็นการอาศัยในลักษณะของน้ํามันที่หยอดเครื่องเพื่อให้เครื่องยนต์มันสามารถเดินไปได้แต่เครื่องยนต์เหล่านั้นก็ไม่มีความรู้สึกยึดติดอยู่ในน้ํามันที่หยอดเครื่องเรียนโดยใช้น้ํามันเป็นเครื่องมือในการเดินเครื่องของตนเท่านั้นเอง พราฏเรื่อ น, นี้จึงอยู่ที่เรื่องของจิตใจเป็นประการสําคัญแต่ในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยเป็นสังเกตว่าเราจะพูดว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอะไรก่อนหรืออะไรหลังก็ได้มันก็อยู่ที่ช่วงของการจับคู่ระว่างเหตุปัจจัยเชเราพูดว่ า, มาเมล็ดมะม่วงเป็นเหตุให้เกิดต้นมะม่งวงเราก็พูดได้ หรือจะพูดว่าต้นมะม่วงเป็นเหตุใดเกิดมเมล็ดมะม่วงมันก็พูดได้แต่ปัญหาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไรมันก็ต้องจับกันเป็นคู่ๆว่ า, มาเมล็ดมะม่วงมเมล็ด น, นี้มาจากต้นมะม่วงต้นนี้เมื่อสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งตัวเหตุตัวผลเราก็รู้อะไรคือเหตุผลในช่วงนั้นแต่ระจับอีกแขงหนึ่งก็ปรากฏว่า เอาเมล็ดมะม่วงนั้นมาเป็นเหตุเอาต้นมะม่วงมาเป็นผลในช่วงนี้เมล็ดมะม่วงก็กลายเป็นเหตุตัวต้นมะม่วงก็เป็นผลพวกวิชาพวกวิชาตันหาวปาทานกรรมในอาหารคือมีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการใดกันอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชาก็ได้อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาหารก็ได้ เราขึ้นอยู่กับการจับคู่ในแต่ละคู่แต่การรับประทานอาหารครั้งแรกมันสเก็ว่าจะเกิด เ, เ, เป็นอวิชชาขึ้นมาก่อนคือความไม่รู้ว่าอาหารนั้นเป็นอาหารอะไรมีคุณมีโทษอย่างไ ร, อ ร, อ, ร อ, ไอร่อยหรือไม่อร่อยหรือไม่จึงมีการชิมในเบื้องต้นการชิมนั้นแสดงให้เห็นถึงวิจิกรชาคือความเครียดแรงสงสัยไม่แน่ใจในรสชาติของอาหารดอกนั้น เม่ชิมไปแล้วบางครั้งเราสังเกตว่าเราก็ชิมหลายครั้งชิมไปทีเล่นนิดก่อนแล้วก็ชิมไปด้วยจนถึงการปรุงใจตัดสินใจต้องได้ว่าสิ่งนี้อร่อยหรือไม่อร่อยพอเกิดอร่อยมันก็กลายเป็นความอยากรับประทานต่อไปนี่แสดงว่านวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหารหรืออาหารนั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา เมื่อเกิดตัณหาแล้วมีความพอใจติดใจยอยู่ในอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปาทานที่เราเรียกว่ากามอุปาทานคือถือมั่นด้วยความใคร่ในรสชาติของอาหารเหล่านั้นจะมีความอยากที่จะรับประทานต่อไปดังนั้นตัณหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานและอุปาทานเองก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาได้ในกรณีของอาหารนี่เอง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนการใช้ปัญญาปินิดพิจารณาไว้ในระดับต่างๆโดยให้บุคคลได้รับประโยชน์จากอาหารแต่เป็นการรับประโยชน์ในลักษณะของน้ำมันหยอดเครื่องดังกล่าวแล้วโดยไม่ตกเป็นทาสของอาหารไม่สยบติดด้วยอาหารเดล่ดนั้นตลอดถึงไม่ทำความชั่วทุจริตไปเพราะอาหารเป็นเ ขั้นตอนในการพิจารณานั้นจะสอนไวเป็นนันมากเลยกลายเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งอย่างที่เคยได้ยินก็เรียกว่าอาหารเรบปฏิกูลสัญญาคือการกําหนดมาเห็นความปฏิกูลของอาหารแต่ขั้นตอนของการคิดการพินิจพิจารณานั้นส่งสอนไว้เป็นนันมากเพราะเป็นเรื่องของกรรมฐานส่วนหนึ่งเป็นการเก็บการสะสมความคิดเหล่านี้เอาไว้จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน มองอาหารเป็นกระบวนการของการไหลมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอาหารกว่าจะเข้าปากเราดันมันอยู่ในกระบวนการของการไหลมามันเริ่มต้นจากที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ผ่านขั้นตอนกันมาโดยลำดับเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็กลายมาเป็นอาหารที่ผ่านลําคอเข้าไปรู้สึกอร่อยอยู่ช่วงวูบหนึ่งแล้วก็หายไป ต่อจากนั้นเมื่อก่อนไหลเข้าสู่กระบวนการของความเป็นเศษอาหารออกมาในลักษณะต่างๆเพราะในชั้นแรกก็ทรงสอนให้มองในช่วงกอการรับการรับนั้นทรงสอนให้มองในรูปของความปฏิคุณก่อนจะมาเป็นอาหารขณะที่เป็นอาหารขณะที่ รับประทานเข้าไปขณะที่เคี้ยวขณะที่กลืนขณะที่หมักหมมกันอยู่ภายในท้องขณะที่ถูกย่อยออกไปและขณะที่ขับถ่ายออกมาเป็นต้นนั่นคือการไหลไปของสิ่งปฏิกูลที่ทรงชายคําว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือกําหนดมาเห็นความปฏิกูลของอาหารจนกลายเป็นผู้ไม่ยึดติดในรสชาติ เพราะตัวอาหารเหล่านั้นเป็นสังเกตว่าที่จริงเขาก็เป็นกามาคุณอยู่ในตัวของอาหารสมมติว่าขนมชิ้นหนึ่งโดยจริงๆแล้วอาหารนั้นเราต้องการรถเราสัมผัสด้วยดินแต่เพื่อให้จิตใจของบุคคลหลงไหลสยบติดอยู่กับอาหารเหล่านั้นจึงมีการปรุงรูปให้หน้ารับประทาน ให้หน้าดูปรุงสีให้หน้าดูปรุงกลิ่นให้หน้าสุดโตปรุงรสให้หน้ารับประทานปรุงสัมผัสให้หน่าจับต้องเพราะในอาหารจินเดียมันจึงกลายเป็นกรมกคุณห้าจะยกเว้นบางทีก็เสียงเสียงบางทีก็ไม่ได้ยกเว้นชินมันเคี้ยวดังก ร, บกรอบๆก็รู้สึกว่ามันสนุกดี มันอร็ดอร่อยดีนี่ก็แสดงมาต้องการเสียงก็ช่วยด้วยหารบางอย่างหนึ่งต้องทำให้กรอบตกลงว่ามีครบหมดมีทั้งรูปสวยๆมีทั้งเสียงที่เคี้ยวแล้ว้องกรอบๆมีทั้งกลิ่นที่หอมมีทั้งรสที่อร่อยมีทั้งรูปลักษที่น่าจับน่าต้องสุงก็กลายเป็นกรมาุณ เพิ่มทอยางไรจึงจะได้เตรียมกายเตรียมใจไปในตอนตอน้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้มองให้มองในตอนรับคือก่อนที่จะรับประทานเข้าไปนะตอนรับอาหารมาจากบุคคลอื่นก็ตามจากที่ใดก็ตามให้มองว่าเป็นของปฏิทินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของว่างเปล่า คือย่อยออกไปแล้วก็เป็นของว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ประการใดแต่าตามปกติแล้วมันก็พิจารณากันไม่ค่อยทันทํานองคล้ายๆกับโจรที่เข้ามาสู่บ้านมีด่านที่สกัดกั้นหลายด่านผ่านด่านแรกมาได้ทําอะไรโจรไม่ได้ มันก็ตั้งจุดสกัดที่ด่านที่สองด่านที่สองก็คือการพิจิพิจารณาในขณะที่กำลังบริโภคอาหารซึ่งผ่านลำคอเข้าไปอี่ ส, สรุปรวมเรียกว่ากรวลิงกราหานมีน า, นานาชนิดอย่างที่ทราบกันให้พิจารณาเห็นว่าอันนี้เราไม่ใช่บริโภคเพื่อเล่น เพื่อความอาเดรศร่อยเพื่อประดับประดาตกแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงามหรือเพื่อความสนุกสนานแสดงสถานะของตนแต่ประการใดแท้จริงแล้วเป็นการบริโภคโดยจุดมุ่งหมายว่าให้ร่างกายนี้สามารถดารงอยู่ได้ขจัดความหิวกระที่เกิดขึ้นเสียดแทงกายได้ป้องกันความหิวใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเสียดแทงร่างกายได้ ให้ร่างกายมีกำลังสามารถประกอบภารกิจการงานที่ทรงใช้คบว่าอนุเคราะห์พรหมจรรย์คือช่วยเหลือในการประพฤติปฏิบัติความดีในลักษณะเครื่องยนต์อาศัยน้ำมันดังกล่าวแต่เพื่อให้เกิดกระชับสำหรับชาวบ้านนั้นจะเป็นรูปคำสอนแต่สำหรับพระแล้วจะมีทั้งสั่งทั้งสอน กำหนดว่าพระเมื่อจะชันอาหารจะต้องพิจารณาอย่างนั้นถ้าไม่พิจารณาปรับเป็นอบัตเป็นจุดสกัดจิตของบุคคลเอาไว้แม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่ังเกิดขึ้นต้องการจะรับประทานอาหารที่ประนีขึ้นไปจนได้บุคคลผู้นั้นสามารถจะอยู่ได้ด้วยอาหารที่เรียกว่ายาปนณัมตัง คื อ, อยังอัตภาพไปเป็นไปได้เหมือนน้ามันที่ห่ออะไรก็ได้เครื่องมาเดินได้ก็แล้วกันเรียกว่าสําเร็จประโยชน์จากอาหารเหล่านั้นภารกิจของอาหารก็คือนําผลม า, า, ากระชับความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ร่างกายมีกําลังมีเดี่ยวแรงปรัสามารถปฏิบัติภารากิจการงานได้ก็เสร็จเขาเรียกอาหารภารกิจ คือกิจของอาหารมันก็มีเท่านั้นเพราะการพิจารณาในลักษณะเช่นนี้ท่านจึงถือว่าเป็นอริยวงคือเป็นวงของปรารยาีิท่านไม่ต้องตกเป็นธาตุของอาหารแต่สามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้เช่นเดียวกับที่บุคคลอื่นให้เป็นไป คนนี้บพงสังเกตว่าเอาก็จริงๆแล้วภาพชีวิตของบุคคลทั้งหลายในโลกนั้นบางคนมีร่างกายแข็งแรงทำงานหนักได้เราทำงานได้ทนแต่เราไปดูอาหารที่เขาบริโภคมันก็ไม่เห็นเคามีอะไรแต่าหา ร, รากิจคือกิจเกี่ยวกับอาหารนั้นมันสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลพวกนั้น ทำไมเขาใช้ได้แรงก็เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารปฏิบัติภารกิจประจำวันของเขาซึ่งหนักกว่าเราสิแต่เขาก็ทำาก็ได้ เ, เป็นการแสดงเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเป็นไปตามหลักที่ทรงสแสดงเอาไว้ก็คือยาปนัดต่ังกั อ, อย่างอัตภาพไปเป็นไปได้ เดในรูปของกรรมาานนั้นปุนสังเกตว่าเขาเรียกว่ามิสกาหารเรนะคืออาหารที่เจือกันอาหารวางอยู่ในสัดส่วนในภาชนะที่เรารับประทานมันก็ถูกปรุงด้วยรูปด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสจะมองให้ปฏิกูลก็ค่อนข้างจะมองยาก่อทำยังไงจึงจะมองง่ายก็สงสอนในรูปมิสกาหา ร, รนะคืออาหารที่เจือกัน เอาอาหารนั้นมาปนมาคลุกเคล้าด้วยกันก็มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็โอนมาวางไว้ในที่เดียวกันแต่ก็ไม่ถึงก็คลุกเข้าหากันอย่างกลางก็เอามาปนกันแต่ไม่ถึงกับขยำเข้าให้มันคลุกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างลุกอียก็เรียกว่าเอามาขยำปนกันเลยคลุกคล้ากันไปเลย ที่จริงอาหารมันก็คลุกเคลกันอย่างนั้นเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องเพียงแต่เราไม่ได้มองเห็นเท่านั้นเองเพื่อมองเห็นสึงสภาพความจริงของอาหารเพ่อเห็นความปฏิกูลของอาหารก็ทรงสอนในลูกคนเพื่อใช้ปัญญาพิจิพิจารณาการปฏิบัติก็เดินขึ้นไปโดยต่างๆแต่ว่าท่านที่มีปัญญาแหลมคมมาก แม้ไม่จำเป็นจะต้องเอาอาหารมาครุกกันมันก็สามารถได้มองเห็นความปฏิกูลได้และยังมีด่านที่คุมเอาไวอ้อีกคือบางทีคุมจิตไม่ได้ไอความอยากมันก็บังเกิดขึ้นอย่างครอบงาอย่างติดใจพอใจในรสชาติของอาหารอยู่มันก็สอนในรูปกึ่งศีลกึ่งธรรม ที่เราเรียกว่าโภชนมตนัตตัญูตัคือให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารบางคนอาจจะพิจารณาไม่ไหวเอาตรงนี้ยังไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนเป็นให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารใหญ่ามากเกินไปอจะให้น้อยเกินไปคร น, นี้ท่านสาธุชนทั้งหลยายจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าท่านเน้นไป ม, มาก เน้นไว้ในรูปสีนันน้นเป็นบทบัญญัติไม่ใช่สอนแต่เป็นสั่งมาเลยเาะสีนข้อที่6ที่เรียกวิการละโภชนาะเป็นคำสั่งที่ไม่ต้องใช้เหตุผลคือยังไม่ต้องอธิบายอะไรสั่งให้ทาไปเลยคืองดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการแต่แท้ที่จริงแล้วเพื่อควบคุมปริมาณกอ็งอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดอาการเมาอาหารเพื่อเกิดเพื่อไม่ให้เกิดความต้องการอาหารมากเกินไปจนมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปตุ้นความรู้สึกทางเพศซึ่งเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตผมก็ตัดเลยแต่ในชั้นศีลเพิ่งสังเกตว่าเป็นบทบัญญตัตไม่ได้ให้เหตุผลอะไรยังไม่อธิบายในรูปของธรรมะแต่ผลจะออกมาในลักษณะอย่างเดียวกัน ก็เหมือนคล้ายๆกับเราสั่งให้เด็กทํางานกับอธิบายเรื่องงานที่เขาจะถามให้ฟังสองคนเสร็จแล้วพอทําไปผลมันออกความเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าในชั้นศีลเป็นบทบัญญัติที่ต้องการให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าไม่เป็นไปอย่างนั้นจะต้องมีบทในการลงโทษเอาไว้เป็นบทบัญญัติสําหรับกลุ่มพุทธบริษัททั้งสี่ ปิสูปปิสูนีาสุกบาสิกาจะมีปัญหาเรื่องอาหารไว้บัญญัติไว้เป็นนั้นมากเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นอย่าที่มีการสำรวจและทำเป็นสถิติเอาไว้ว่าชีวิตคนคนหนึ่งตีต่างว่าอายุขัยประมาณ7 2ถึงปีเวลาของชีวิตที่ใช้ไปเพราะรับประทานอย่างเดียวตั้งเจ็ดปี ซึ่งก็หมายความว่าเราได้สูญเสียเวลาไปเพราะเรื่องก้อนอาหารนี่มากเฉพาะรับประทานอย่างเดียวนี่ก็หมดไปทั้งเจ็ดปีอย่างขั้นตอนของการแสวงหาขั้นตอนของการครอบครองขั้นตอนของการปรุงแต่งอะไรต่ออะไรอีกสารพัดเวลาก็อาจจะถึง20ปีหรือ20กว่าปีก็ได้ที่เราหมดไ ป, ไปเพราะเรื่องก้อนอาหารในแต่ละชาติแต่ละชาติที่ได้เกิดมาในโลก เพื่อใจมีความต่อเนื่องทรงมีคำสอนในรูปของเรียกว่าอัตติตะปัจเวคขณะคือย้อนกลับไปพิจารณาอาหารในอดีตจะรับประทานอาหารตอนเช้าตอนเย็นอตอนเที่ยงพอถึงตอนเย็นก็ไม่รับประทานอาหารแล้วพะถือศีลแปด เราก็ไม่เห็นอาหารเหล่านั้นเปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลวันเครื่องมือในการย้อนกลับไปพิจารณาก็คืออาหารที่รับประทานเมื่อเช้ากับอาหารที่รับประทานมาตอนเชี่ยงนำมาคิดพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการครุ่นคราวกันของสิ่งปฏิกูลต่างๆโดยการทิ้งไว้เวลานานโดยการที่ ทำให้สิ่งซึ่งเกี่ยวข้องมันแปดเปื้อนซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงมันก็เห็นกันความปริกูลของอาหารเป็นพื้นฐานภายในใจของบุคคลที่มองเห็นกันอยู่พอสมควรจงมีการระมัดระวังมากบางครั้งอาหารที่ตกไปที่พื้นหรือว่าตกไปจากภาชนะ แม้สิ่งนั้นจะไม่สกปรกก็าตามแต่ใจจะรู้สึกรังเกยียจแล้วก็เอาทิ้งไปเลยไม่รับประทานทาต่อไปตอนนั้นเชื่อในการเห็นความปฏิกรูลของอาหารเราก็เห็นทุกขั้นตอนก่อนที่จะบริโภคเกี่นอาหารประเภทเนื้อประเภทสัตว์แดวจะเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจนทรงสอนให้มองเห็นว่า ในร่างกายของเรานี้เหมือนกับป่าช้าขนาดใหญ่เป็นที่สะสมหมักหมมของซากสัตว์นานๆชนิดซึ่งสะสมเอาไว้เป็นนั้นมามาเทียกับป่าช้าข้างนอกแล้วมันก็ป่าช้าข้างนอกยังสู้ไม่ได้อป่าช้าเผาคนก็เก็บสะสมไว้เฉพาสะซากศพของค ร่างกายของมนุษย์แต่ละคนนั้นได้สะสมสิ่งปฏิกูลต่างๆเอาไว้เป็นอันมากเพื่อศึกษาพิจารณาบางครั้งท่านสอนว่าถ้ายังมองไม่เห็นคิดยังไงมันก็เห็นไม่ได้ท่านสอนให้นำอาหารที่เราเคี้ยวๆยังไม่ทันได้กลืนนะ่ะคายออกมาพิจารณาซึ่งก็จริงเราก็เห็นกันนะนะ แต่มองในรูปของความขยักขยงมองในรูปของความรังเกียจส่วนวิธีการพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มองในรูปอย่างนั้นแต่มองแล้วให้ใจเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ใช่ใจเกิดโกรธหรือเกิดไม่พอใจต่อบุคคลที่ทำเช่นนั้นท่านสอนให้มองเพื่อคลายกำหนัด คลายความพอใจติดใจที่จะไขว่ควา้าที่จะสแสวงหาอาหารเด็จนั้นมาย่่น้อยการพิจารณาบ่อยๆเนี่ยมันช่วยเสริมในชั้นศีลและในชั้นก็อธรรมเป็นอวัตติมีความสําคัญเพราะอยู่ในอวตารตปฏิโมกทีเดียวในอวารตปฏิโมกเป็นคําสอนที่สั้นๆมีข้อความเพียงสามคาถากับกึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ได้ตอกย้ำเอาเรื่องอาหารเอาไว้คือข้อมัตตันยาตาจปาตส์มิงให้รู้จักประมาณในการบริโภคผัตตาหารศีลของพระแม้พูดว่ามีถึง227ข้อที่จริงมันมีมากกว่านั้นถ้านับตัวเลขแต่ว่าจริงแล้วท่านมาสรุปไปที่ศีลเพียง4ข้อเรียกว่าจจตุปาริสุทธิศีลทั้งสี ในข้อที่สานั้นให้พิจารณาปัจเจ sĩ ซึ่งมีอาหารเป็นต้นจะก่อนที่จะบริโภคใข่สอยให้เพื่นสังเกตว่าสำหรับชาวบ้านนั้นสอนแค่งดเบนรับประทานอาหารในเวลาวิการเป็นอย่างสูงแล้วก็สอนเรื่องกรรมฐานแต่ไม่ถึงกับสอนบังคับเป็นบทวินัยเอาไว้ว่าจะต้องพิจารณา พอถึงพระวิสุสามเณรไม่เอาคือสอนที่เหมือนกับสอนชาวบ้านด้วยแต่ก็เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยว่าเธอต้องพิจารณาก่อนรับประทานอาหารนะและขณะที่ฉันไปรับประทานไปก็ต้องพิจารณาด้วยพิจารณาเพื่อเห็นเป็ความปฏิกริยานะถ้าไม่พิจารณาก็จะปรับอวบตุกตุกแต่เนื่องจากเป็นเรื่องยากต่อการพินิดพิจารณา ปัจจมันก็คัดค้นประเด็นที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเรื่องโยนิโสมนสิการที่ต้องใช้ไปในการปีนิพิจารณาบางครั้งพิจารณาไปแล้วเกิดขยะขยงสะอิดสะเอียนไม่กล้ารับประทานอาหารไปเลยอย่างนี้ก็เป็นอันตรายแก่ร่างกายไม่ใช่ทิฏทางไม่ใช่เป้าประสงค์ในการพิจารณาเพระาะฉะนั้นสอนเพียงให้พิจารณาเห็นเป็นความปฏิกริ ร่างกายเราเรานี้ได้รับการหลอดเลี้ยงรุงรักษามาจากสิ่งที่มีความปฏิกุลเพื่อตัวเองจะไม่หลงไหลกำนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกายตนและกายของบุคคลอซึ่งก็สอดคล้องกันหลักที่ทรงสอในผู้ธาตุประภะหรือปฏิกูลประภ ะ, ะในกายานุปัศนาสติปัฏฐานที่ได้พูดมาแล้ว ในนั้นที่จริงมันก็คือการเอาของสกปรกเยอะๆไปใส่ไว้ในถุงเดียวกันร่างกายเราก็มีลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆก็ถุงใส่ของสารพัดพอเจาะตรงไหนมันก็มีของสกปรกออกมาทั้งนั้นในถุงที่ใส่ของสกปรกก็เหมือนกันคือเราจะเจาะตรงไหนจะแตะตรงไหนเป็นรูตรงไหนก็มีของสกปรกไหลออกมา เพื่อเห็นว่าที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นปูติกายโยที่ทรงใช้คำว่าปูติกายโยคือกายเน่าแต่กายเน่านั่นเองกลับกลายเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเพลิดเพลินยินดีร่ใครหลงไหลของบุคคลทั้งหลายมีการปรุงแต่งประดับประดาเพื่อหลอกตัวเองและหลอกบุคคลอื่นให้ยึดจิตอยู่ในสิ่งด่งนั้นเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทรงใช้ ไม่ว่าจะแนวของศีลแนวของธรรมะควกระหว่างธรรมะกับศีลหรือแนวของธรรมะตลอดถึงแนวของระดับกรรมฐานต้องการที่จะสอนให้บุคคลได้พิจารณาและสามารถเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายคำนัดไม่ไขว่คว้าปรารถนาสามารถที่จะยั่งอัตภาพชีวิตของตัวให้เป็นไปด้วยอาหารอะไรก็ตาม ปาี้ก็ได้ยาบก็ได้กลางก็ได้พระเจ้าจึงทรงทําพระองค์เป็นตัวอย่างที่จริงพระองค์ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเพราะรู้ทันในขณะนั้นนั้นเพราะเรื่องราวของพระเจ้าบางครั้งไปรับอาหารรบินธบัตไอแป้งที่เขาปิ้งบนฐานธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลยไอแป้งจี่ของนางปุณธศสี โดยพื้นฐานดั้งเดิมปรุงก็เป็นขัตยกุมารแต่ว่าในขณะที่รู้เจ้าทันทั้งความเป็นจริงก็ทรงยังอัตภาพไปเป็นไปได้ด้วยอาหารอะไรก็ตามางครังก็เป็นเศษอาหารที่เขามีอยู่เท่านั้นเองก็ามาถวายรู้เจ้าก็สวยได้อย่างอัตภาพไปเป็นไปได้จนถึงกับพระบางองค์เช่นพระรัตปาละหรือพระสุตินาจีรรับประทานอาหารที่เขาเททิ้ง ไปบินตบาดคนไม่ตัะ巴ดต้องก็ไปบินตะ巴ดของนี่ก็เททิง้งแล้วก็ยังอัตภาพไปเป็นไปด้วยอาหารแบบนั้นได้แน่นอนการรับประทานอาหารแนวนี้ถ้าเรามองถึงเรื่องสุขภาพภานาำใหมก็คงเป็นปัญหาในด้านสุขภาพภระนาำใหม่แต่ถ้ามองถึงความปฏิกูลแล้วที่จริงมันเป็นช่วงการสั้นๆที่เราเห็นความปฏิกูลซึ่งมัน ความน่ารับประทานมันปรากฏอยู่ช่วงคาถาหนึ่งแต่นั้นเองก่อนจะรับประทานเราก็ก่อนที่จะมีการปรุงแต่งกัรผสมกันมันก็เป็นของปฏิกูลแล้วพอปรุงแต่งเสร็จแล้วก็เป็นของที่มีคาวาดเด็ดอร่อยหลังจากนั้นผ่านการไปหน่อยเดียวก็เริ่มบูดเริ่มเสียเริ่มมีกริดไม่สะอาดแต่คนคิดได้พิจารณาอยู่ได้ดีื มันอย่างน้อยก็จะช่วยบรรเทาความเมาในอาหารซึ่งไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนิวรณข้อที่สามก็คือทีนามิทะและข้อที่หนึ่งคือการประชานได้ด้วยในแวดวงของธรรมปฏิบัตินั้นจึงทรงสอนมีจุดเริ่มต้นแต่ก็จะดึงเอาเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนโดยมีจุดมุ่งหมายที่ เพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์อย่างน้อยก็ลดเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ให้เบาบางลงไปซึ่งผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบ ต, ต่อไป